ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความ ร, รู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิทธัตถะที่เสด็จออกบา พ, พชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระสมมาสำพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรม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 ก็อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกกิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกกิดชอบชั่วดีอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะนั้นได้ชื่อว่ามีคุ ณ, ณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธบางครั้งเราภาวนาโพธิทโธพทโธโ์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 แต่ว่าจิตพุทธะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน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 บางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสัน่นตัวโยกตัวโครนถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายกว่าใดอันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกาย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 เป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธเมื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆาาก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธนั่นเอง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 เกิดขึ้นในจิตของเราเพระาะฉะนัน้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุ ณ, ณธรรมทีนี้เมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธเมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามคานองคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจึงมาถัสสมาทานศีลห้าข้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่ำคือศีห้าผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหัตตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีห้าข้อสะดวกสบายดีกว่านักบุตร เพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสัง bond ระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราจดหลักว่าพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าลักขมโมยไม่เป็นเราไม่ลักขมโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ช่อไม่โกง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 เราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้ําดองของเมาหรือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทําเช่นนั้นเราก็ไม่ทําเรายึดหลักศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัด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 เว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีลห้าด้วยความจริงใจเราอาศัยหลักสองประการนี้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชำนาญต่อการงดเว้นเมื่อเรามีการงดเว้นไม่ทำอะไรตามคำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลกโกรธหลง ก็ได้เชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตัดผลเพิ่มของบาปแม้โลกโกรธหลงจะมีอยู่ในใจใจของเราเราก็พยายามใช้ให้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมคือเอาศีลห้ามาเป็นขอบเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้อง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 แต่เพราะอาศัยความคล่องตัวอันนั้นจิตของเราจะงดเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริภู์แม้เราจะทำสมาธิภาวนายังไม่เป็นก็ได้เ่อว่าตัดบาปตัดกรรมให้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริภู์กายของเราก็สงบ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 และเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เพียงตั้งสติกำ น, นดจิตท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาไว้ตลอดเวลาท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแม้ว่าใครจะว่าเราปฏิบัติไม่รู้เหตุรู้ผลก็ตามถ้าหากว่าเราท่องต่อเนื่องกันทุกขณะจิตทุกลมหายใจที่เราตื่นอยู่ เมื่อเราท่องไม่หยุดสมาธิคคอจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผู้ท่องพุทธโธอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัตินอกจากการท่องพุทธโธก็ยังมีสัมมาหังยบหนอพองหนอเมื่อใครจะท่องบทใจ ก็ให้ทั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสมาลหหงยศหนอพองหนอเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้องจะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูด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 ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาปรานีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาะแวงกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาะแวงเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิ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 ซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรูลมหายใจการกำหนดรูลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพลัะสติกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจอยากลมหายใจละเอียด แล้วเขาไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วเขาไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลงพระองค์ปล่อยให้ว่างช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิด พระ อ, องค์ให้จิตของพระ อ, องค์เดินอยู่อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้เดินอยู่ในสามจังหวัดที่นี้ธรรมชาติของจิตเนี่ถ้าเวลาอยู่ว่างๆจิตกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติ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 พอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มา น, นึกว่าลมหายใจยังอยู่จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดเบ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกาย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 จะมองเห็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบ้ามหัวใจตับปอดพังผืดครอบอาการสามสิบสองซึ่งในขณะนั้นเิจของพระองค์สงบนิ่งแล้วเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเิจของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็าหายขาดไป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 ซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จะตุทะฌานทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปถึงขั้นจะตุทะฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอากินจัญญายต น, เนะเดวสัญ ญ, ญายตนะตามลำดับ ไม่ไปเช่นนั้นพอขยับจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจิตพระองค์วกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตะนิรธดเรียกว่าเข้าที่โลดสมาบัตินิรธดสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระ พอเจตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมเจตของพระองค์จึงเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรดนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุ ข, ขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้า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 ทำให้พระองค์ตรัสโลเป็นโลกวิถูผู้โลแจ้งโลคือโลยมมาโลได้แก่พบโภมของโู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งสตัตว์นรกพระองค์โลในขณะจิตเรตียวแล้วก็ู้พบโภมของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์ รู้พบอโภมของเทวดาตั้งแต่เทเทวดาชั้นจาตุมจนกระทั่งถึงกรมมลกท่านอานิถากรม <c oughs> พระองค์รู้ในขณะจิตเดียวนอกจากจะรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสามยังรู้อดีต ชาติของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาตินอกจากจะรู้เรื่องของพระองค์แล้วยังรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นด้วยว่าสัตว์ในจั ก, กรวาล น, นี้แต่และตนแต่และตัวเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุกเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของภพภูมิของสัตว์ทั้งหลายทั้งปูง ก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งทั้นวันนะแบ่งหนึ่งความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายคือรู้เรื่องการจิติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจุตูปาปาตยานแล้วก็รู้อาสวัคยายานคืออวิชาโมหะอันเป็นต้นเหตุ ให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริงย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะสัตให้ไปเกิดในพฤษดภูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์ในร่างฐานก็มีให้ไป เกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาอินทรมยมยัพซึ่งอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีจตูปาปาติยานก็ดีอาสวัคคายานก็ดีพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมายา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 คืออาศัยกายนี่เองจึงจะคิดเป็นแต่ถ้าว่าจิตตรงนี้แยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวพันกันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คิดไม่เป็นนี่คือธรรมชาติความเป็นจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้ เทเนยในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกะพิธูแล้ว <c oughs> เมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตรงนี้จึงมาพิจารณาทบทวนปกเพนิวาสานุสกติยานคือการละลึกชาติผลหลังได้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 เพราะความรู้ไม่จริงแล้วก็ทำกรรมไปตามตนที่มที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปมีทั้งดีมีทั้งชั่วเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิบาก ค, คือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกฎของกรรมก็ส่งหนุนให้เบียนบ้ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจับสิ้น เรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจฉิมยามคือโจใรใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลาดับยามทั้งสามคือปฐ ม, มยามพิจารณาเรื่องปุเพในวาสานุสติญาณมัชิมยามพิจารณาเรื่องจยูตูปปาตาญาณปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคยายาอาอาสวักกิเลศ ในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารล้เห็นมานั้นเป็นความจริงแท้ไม่แปรพันอารหัตสรรมขยานจึงบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปจึงทำให้พระองค์สส้นพบเส้นชาติเส้นอาสวะกิเลส ถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงแม่กิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อีกแล้วแล้วกิเลสทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นอันว่าบรรลุถึงแดนอมะตะ จึงได้พระนามว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรโลชชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประกาศนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริง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 ย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดีความเข้าใจคำว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งคู่บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวชำนิชจำนานเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้ เมื่อจิตหยุดแล้วเราก็ต้องตั้งใจประคองจิตให้หยุดนิ่งอยู่อันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิทิตแท้จริงนั้นในเมื่อจิตหยุดนิ่งได้แล้วจิตแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานหรือรู้สึกแจ่มแจ่มภายในสูวนลึกของจิต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 บางทีเราอาจจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสองสามคำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมายัางกระน้ำพุในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิด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 อันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสนาเป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผล <c oughs> ทีนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายทำาจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่กายยังปรากฏ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 หรือไม่ต้องไปยึดมั่นในันนิมิตนั้นนั้นเพียงแต่กาหนดรู้จิตของตนเองเดิมเฉยอยู่เท่านั้นนิมิตนั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวติงจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาเรียกว่าอุคขานิมิตแต่ถ้าว่านิมิตนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลง ย, ย, ย, ย, ยักย้ายไปมา หรือบางทีอาจจะเนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกซุดหัวลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี้เป็นจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมาฐานถ้าหาว่าจิตไปสําคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็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 พอสงสบสว่างร่างกายย่ังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามามาสงบนิ่งสว่างอยู่ใน่ํากลางของร่างกายก็จะมองเห็นวั ย, ยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการสามจิตสองแล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เราว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตตัวงเดียว ทีนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสำรวจภายในคือร่างกายรู้อาการสามสิบสองเมื่อร่างกายคืออาการสามสิบสองหายไปยังเหลือจิตตรงเดียวนิ่งสว่างไสวถ้าจิตมีภูมิพอที่จะพอที่จะรู้ทำรรเห็นทำรรจิตจะจ้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกายขึ้นออ่นเน่าเปื่อยปูพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือ เมื่อเจดทอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ขึ้นอื่นน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโโคโร้ยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดลงไปหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนมันมีแต่ธาตุสี่ที่ท่ามลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้น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 พอจิตสงบแล้วจิตก็กําหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวในไม่จิตรู้อยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะรู้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกําลังพอที่จะเกิดภูมิความรู้มันจะมีปรากฏการณแบบ์วัแบแวบวแวบอยู่ในจิตบางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไป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 มีอะไรก็สอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในทำนองนี้ลูกศิษย์ของท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวอขอฝากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบรารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงดลบรัรนดาลให้จิตใจของท่านทั้งหลาย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 ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเืิน